สังคาทิเศษสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงความเป็นผู้เที่ยวสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีในความเป็นเมียก็ตามในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดบอกแม่แก่หญิงแพทยสยาคือโสเพนีอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นสังคาทิเศษ บาลีแห่งสิขาบทนี้ตกบทว่าบอกหรืออะไรอยู่บทหนึ่งซึ่งแกไว้ในคำพีวิพังว่าบอกคำว่าในความเป็นเมียนั้นหมายความว่าในการอยู่ร่วมกันอันชอบด้วยกฎหมายคำว่าในความเป็นชู้นั้นหมายความว่าในการอยู่ร่วมกันอันผิดต่อกฎหมาย เหตุนั้นในคำภีวิพังท่านจึงแสดงหญิงสองประเภทนั้นไว้หญิงอยู่ในปกครองของมารดาบิดาเป็นต้นซึ่งชายจะพึงขอหรือถือเอาเป็นภรรยาได้โดยชอบด้วยกฎหมายคือเป็นภรรยาที่แต่งงานหรือเป็นภรรยาที่ตกลงกันเองหรือเป็นภรรยาสินไยเป็นต้นประเภทหนึ่งหญิงต้องห้าม เช่นหญิงอยู่ในปกครองของวงมีเจ้าหญิงในราชสกุลเป็นตัวอย่างหญิงมีธรรมเนียมรักษามีภิกษุณีเป็นตัวอย่างหญิงมีสามีหญิงอันกฎหมายห้ามฉันเรียนในกฎหมายเก่า ว, ว่าแม่ไม้งานท่านประเภทหนึ่งโดยในย่านี้ภิกษุรับเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอหญิงให้แก่ชาย หรือรับเดินสื่อชักนำให้เขาได้กันหรือทำเช่นนั้นในทางมีโทษคงเป็นอันล่วงสิกขาบทนี้ดุดเดียวกันในคำพีวิพังนั้นกำหนดองค์เห็นการชักสื่อไว้เป็นสามคือรับคำของผู้วานหนึ่งบอกแกอีกปลายหนึ่งหนึ่งกลับมาบอกผู้วานหนึ่ง แต่ผลแห่งการชักสื่อบางอย่างย่อมสำเร็จเพียงด้วยองค์สองก็มีเช่นชายวานภิกษุไปบอกนัดหญิงแพศยาให้ไปหาหนัดตำบล น, นั้นๆเมื่อนั้นๆถ้าหญิงนั้นรับคำแม้ภิกษุไม่กลับมาบอกชายผู้วานความปรารถนาของเขาก็คงสำเร็จพิจารณาโวหารในสิกขาบทถ้าไม่มีคำปริกับว่า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 เมื่อตั้งกำหนดเป็นองค์สามแล้วจึงแจกองค์สองว่าเป็นประโยคแห่งทุนละใจองค์หนึ่งเป็นประโยคแห่งทุกกฎ้ดยไม่เพ่งอัฏฐะที่ควรจะเป็นได้หรือไม่ท่านกำหนดองค์เกินต้องการมีอยู่ในที่อื่นบ้างคือในจตุตถะป ร, ะราชิกสิกขาบทท่านกำหนดองค์มุสาวาทไว้เป็นสามคือก่อนแต่พูด ก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จเป็นองค์หนึ่งขณะพูดก็รู้ว่าเราพูดเท็จเป็นองค์หนึ่งครั้นพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วเป็นองค์หนึ่งแต่พูดมุสาอวดอุตริมนุสธรรมย่อมสำเร็จเพียงโดยองค์สองข้างต้นเท่านั้นความข้อนี้กล่าวไว้ในอัถกถาแล้ว ถ้าพระเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าการชักสื่อซึ่งกล่าวถึงในสิกขาบทนี้ย่อมสำเร็จด้วยโยงข่าวสารของคนสองฝ่ายให้ถึงกันเข้าเช่นนี้ย่อมสมเหตุสมผลส่วนอาบัตในบุพพประโยคนั้นถ้าเขาวานรับคำเป็นทุนละใจบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสังคารทิเศษ ถ้าจัดการเองบอกแก่ฝ่ายแรกเป็นทุนลัดใจบอกแก่ฝ่ายที่สองเป็นสังขารทิเศษประโยคแรกเป็นทุนลัดใจทีเดียวในสิขาบทอื่นก็มีเพราะไม่มีประโยคที่รองลงไปผู้ว่านนั้นเป็นเจ้าตัวชายหรือหญิงเองก็ตามเป็นมารดาบิดาหรือผู้ใหญ่อื่นของเขาก็ตาม ภิกษุรับแล้วบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าตัวก็ตามเป็นผู้ใหญ่ของเขาก็ตามคงต้องสังฆาทิเศตไม่ทำเองสั่งให้ผู้อื่นทำแทนอีกต่อหนึ่งก็เหมือนกันเขาวานภิกษุหลายรูปเธอทั้งหลายรับเขาแล้วบอกแม้แต่รูปเดียวต้องสังฆาทิเศตด้วยกันทั้งนั้น ภิกษุแม้ไม่รู้ชักโยงสามีภรรยาผู้หยากันแล้วให้กลับเป็นสามีภรรยากันใหม่ท่านว่าไม่พ้นอาบัติเอจนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงจัดว่าเป็นอจิตตกะคือแม้ไม่จงใจทําก็ต้องอาบัตสามีภรรยากโกรธกันแล้วต่างคนต่างอยู่แต่หาได้หยา ก, กัรไม่ ภิกษุชักโยงให้ดีกันไม่ต้องอาบัต